เข้าใจภาษาอันนี้ได้หมายว่าผู้นั้นมีทิฏฐิที่ถูกต้องอ่ะถ้าคนไม่รู้น่ะคือคนที่มีอวิชชาเนี่ยโอ้ท่านพูดไว้ชัดเจนมากเลยเพราะบอกว่าใครไม่รู้ภาษายัตนาหกเนี่ยนั้นนั่นแหละเป็นคนที่มีโมหะโพูดชัดเจนมากเลยเป็นอีกสูตรหนึ่งในสั่งยุตานิการ์นี่กล่าวไว้เลยว่าใครไม่รู้เหตุเกิดความดับอสาทาอาทีนว่านิสารณาของภาษายัตนาหกชื่อว่าตกแตกธรรมวินัยนี้แล้ว ในในชายช้ศักด์นั้นเลยว่าตกจากธรรมวินัยนี้จริงภาษาอายตนะนี้ไม่ใช่หมายถึงตัวภาษานะหมายถึงตัวหมายถึงบ่บ่อของผัสสะอายตนะตัวนั้นแปลว่าบ่เกิดของผัสสะคือถ้าพูดพูดบ่แล้วก็หมายถึงพูดบ่น้ําก็หมายถึงพูดอะไรก็พูดถึงน้ําถ้าพูดน้ําก็ยังไงก็ต้องน้ําบ่เนี่ยนะอายตนะคือบ่อของเขาเรียกว่าผัสสะก็บ่เกิดของ ภาษาเนี่ยนะถ้า hmm. รู้ภาษาก็ต you know ้องรู้บอกของภาษาถ้ารู้บอกก็ต้องรู้จักน้ำเพราะภาษาทั้งหลายอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะ่ะพันท่าถ้ารู้จักภาษาจริงก็ต้องรู้จักตัวบอกถ้ารู้บอกจริงก็ต้องรู้จักภาษาถ้ารู้ภาษาก็ต้องรู้เวทนาเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะเหล่านี้เนี่ยถ้าคนรู้เรื่องนั้นจริงเน่ยนะเขบอกว่าโหเห็นจมูกเนี้นนะ ถ้าดูหน้าเห็นจริงๆเนี่ยถ้าเราบอกว่าเห็นจมูกแล้วตามว่าตาเห็นไหมคิ้วเห็นไหมตากเห็นไหมเห็นแก้มซ้ายแก้มขวานี่จะเห็นไหมหรือเห็นแต่จมูกอย่างเดียวมันคือธรรมะเหล่านี้มันเกี่ยวโยงกันเชื่อมโยงกันสัมพันธ์กันถ้าพูดภาษาหรือพูดภาษายัตนาก็ไม่คือภาษายัตนาโดยมากเป็นรูปธรรมภาษาเป็นนามธรรมเขาะถ้าไม่มีตาสัอย่างเดียวเนี่ยเธอจะเห็นไหม จักมีจักขู่สัมผัสไหมไม่มีถ้าไม่มีหูจะมีโสตสัมผัสไหมไม่มีถ้าไม่มีจม nah ูกจะมีคานะสัมผัสไหมไม่มีถ้าไม่มีลิ้นจะมีคานะสัมผัสไหมชิวหาสัมผัสจะมีไหมถ้าไม่มีลิ้นไม่มีถ้าไม่มีกายจะมีกายสัมผ ok ัสไหมถ้าไม่มีมโนจะมีมโนสัมผัสไหมถ้าไม่มีพัสสะจักมีเวทนาไหมถ้าไม่มีเวทนาจักมีตัณหาไหมถ้าไม่มีตัณหาจักมีอุปาทานไหม เพราะฉะนั้นถ้าว่าบอ่อเกิดแห่งทุกข์จริงๆก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีได้เพราะมีอะไรเพราะมีนามรูปมีมหาภูตารูปเป็นต้นแล้วนามรูปเกิดได้เพราะอะไรเพราะวิญญาณวิญญาณเกิดได้เพราะอะไรกระสังขารสังขารเพราะอะไรอวิช า, าวิชาคืออะไรอวิชาคือไม่รู้เหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนว่านิสารณะของภัสาะ ย, ยตนะหกนั่นแหละเรียกว่า อวิชชาเนี่ยนะเรียกว่าอาวิชชาถ้ารู้จริงก็สํารอกอวิชชาเหล่านี้โดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะคือเราทั้งหลายถามว่าได้ฟังอย่างนี้ชื่อว่ารู้จริงหรือยังเราได้ยินแต่ว่าไม่ได้รู้สิ่งเหล่านี้คือพระอาจารย์บอกอย่างนี้หมายถึงว่าจะให้เราไปหยุดที่ภาษาหรือคะหรือว่าให้เรารอบรู้ในภาษาทําได้ไหมล่ะถ้าถ้าเกิดว่าจริงจริงไหมพระ ถ, ถ้าเล่นพูดแบบเล่นลิ้นจริงๆรเนะ่ยทุกคนก็หยุดอยู่แค่ภาษานั่นแหละ ทำไมรู้ไหมเพราะภาษามันเกิดโรคกับจิตทุกดวงเพราะเมื่อไหรไม่มีภาษามีได้ไหมไม่ได้มันก็ให้หยุดอยู่แค่ภาษามันก็อยู่แค่ภาษาแต่ละแต่ว่าเป็นภาษาอะไรเพราะภาษามันเกิดกับจิตทุกดวงอันนี้เรียกว่าพูดแบบเล่นลๆนะนะแต่จริงๆไอ้คาว่าพวกนี้เนี่ยคือให้เจาะทะลุให้เห็นอย่างที่ว่าพิจารณาภาษาแล้วเล่นสู่พระนิพพานอะ ที่เจรณาเวทนาเป็นต้นแล้วก็แล่นไปสู่พระนิพพานนั่นแหละจึงจะดับได้อย่างแท้จริงคือวัตถุทุกทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเข้าใจถึงอะไรนะวิญญาณที่ติที่เป็นกรร ม, มวิญญาณเนี่ยนะถ้ากรร ม, มวิญญาณจะมีเนี่ยมันตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ขันห้าถ้าไม่มีขันห้าเป็นอารมณ์นะวิญญาณเลิกเป็นไปเลยแต่ว่าในในธรรมะเนี่ยก็ไม่ได้ว่าให้ไปหยุดอยู่ตรงนั้นหยุดอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าให้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดใน ภัสสะสะเนี่นี่คือข้อปฏิบัติในศาสนานี้ทำยังไงเนอะจึงจะเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในภัสสะพปงจึงสแสวงหาโวหารถ้อยคำพยัญชนะมาที่บายว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจบ่อกเกิดของภาษะมันคือแผลนะมันคือแผลเป็นต้นเนี่ยพร้อมที่จะติดเชื้อหรือบางทีก็ปรบส้อนเหมือนอะไรเรือนว่างบาง น, นะพยาาอุปมาโดยประการต่างๆเพื่อจะใหะ้สาวกทั้งหลายเบื่อหน่ายใน ภาษายตนาหกเหล่านี้คือนี่ฉันกำลังสนใจเรื่องทําป ร, ริญญาว่าถ้าเกิดว่าเราจะรอบรู้ในเวทนาที่มีผัสสะเป็นปจัจดใจเราก็ต้องทําป ร, ริญญาก่อนก่อนที่จะมีผัสสะมีธรรมะสามสามอย่างประชุมกันแล้วเกิดผัสสะใช่ไหมเจ้าคะพระคุณเจ้าก็คือผู้ที่พิจารณาเนี้นะอย่างที่ว่าในผัสสะเนี่ต้องไล่ว่าผัสสะที่เกิดจาก ทวารไหนเช่นถ้าเกิดจากทวารตาเนี่ยภาษะตัวนี้แล้วจริงๆเนี่ยนะถ้าถ้าตัวว่าจริงๆแล้วภาษามันเกิดจากอะไรตรงๆ ต, ต, ตัวเลยก็เกิดจากบ่อของมันไงคือคือตาผลถามว่าในโลกนี้เนี่ยที่มันน่าเดือดร้อนที่สุดเนี่ยคืออะไรก็คือตาทํายังไงที่จะดับตาได้โดยประการทั้งปวงถ้าดับตาได้โดยประการทั้งปวงนี่ก็ก็ถือว่าดับ ภาษาเป็นต้นแล้วถ้าจะดับตาเนี่ยดับที่ไหนก็ต้องดับที่ตันหาแล้วตัหามันชอบอะไรมันชอบสีที่มีตาจริงๆเอาไว้ให้ดูนะถ้าลองวันนี้ไปไหว้สังเวชนิยสถานปิดตานะพัสดเตอร์สองอันแตะไว้เลย <c oughs> เอาไหมโยมจ๊ะ <c oughs> บอกเอาเนาะบอเอาละเพราะอะไรเพราะว่าปุ๋ยมีตานีกว่าจะได้ดูนี่แหละวัน <c> น <oughs> แล้วจริงๆนะเพราะว่าเราห่วงแผนถนอมทนุถนอมตามากเพราะเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อให้เกิดรูปปตัตนหาจริงๆตาเนี่ยนะมันเป็น มันเป็นเครื่องมือของตันหาจริงๆตันหาที่ชอบสีเนี่ยนะมันอยากได้ดูสีนานๆมันทํำยังไงมันก็สร้างตาสิเนี่ยนะมันก็สร้างตาเพราะตันหาเนี่ยภารกิจของรูปตันหาที่มันชอบดูสีนะมันจึงต้องสร้างตาเอาไว้เนี่ยนะมันกลัวมากกลัวจะหมดตาเนี่ยเขาจะได้ดูสีต่อไปนานๆจะได้ดูสีมากๆจะได้ดูสียาวๆจะได้อะไรตันหามันเพลินอย่างนั้นแหละแล้วมันไม่อิ่มด้วยนะดูไม่เคยใครดูบอกว่าเบื่อแล้วที่จะเห็น ทั้งอันนี้ไปปิดพัสเตอร์ปิดตาแล้วไม่เลิกเห็นโดยประการทั้งปวงหูก็เลิกได้ยินแล้อุดหูเลยอย่างไงีนะจมูกก็เลิกรู้กลิ่นแล้วก็ไปให้หมอเขาฉีดไอไอตัวที่ทําลายคานาภาษาธาสะลิ้นก็ไปทําอะไรให้มันเสียชิวหาภาษาธาสะเนี่ยนะมีใครเขาทาแบบนั้นไหมร่างกายก็ทําให้มันเป็นอาาามพาสันจะได้เลิกรับรู้สักทีหนึงน่งอ่ะนะหรือกินยาแต่นอนหลับเป็นเจ้าชายนิทราตลอดไปไม่ต้องรับรู้อะไรสักอย่างเลยนะ มันก็ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลง้องตันหาตันหาไม่ยอมหรอกนะเพราะถ้ารู้ว่าจะบอดเนี่ยมันร้อนเต้นผางเลยนะตันหาเนี่ยนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องซ่อมมันหน่อยเส้นว่าจะตายเนี่ยโอ้ต้องดูแลมันอย่างดีด้วยนะจริงๆแม้กระทั่งว่าคนกลุ่มหนึ่งที่ว่าแสวงหาเงินเนี่ยว้ใช้ตอนไหนรู้ไหมตอนเกือบจะตายแล้วก็จ่ายแพงที่สมัครได้ง่ายขึ้นเยอะชนเหล่าใดแสดงธรรมเพื่อเบือหน่ายและคลายกำหนัดในตาหูจมูกลิ้นกายใจชนเหล่านั้นชื่อว่า ทำมักระถึกผู้แสดงทำเนี่ยนะชนเหล่าใดปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพวกนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติหมประหยัดมาตลอด เ, เนี่ยะก็เออเนี่ยวัตถะมันก็เป็นเช่นนี้แล้วาการทําปริญญานั้นในระดับสูงที่สุดก็คือจึงการพิจารณาปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในในสิ่งเหล่านี้นะถ้าจําสูตรเหล่านี้เของมารู้สึกจะช่วยช่วยทําให้เท่าศึกษาธรรมะได้ง่ายขึ้นเยอะ ชนเหล่าใดแสดงธรรมเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในตาหูจมูกลิ้นกายใจชนเหล่านั้นชื่อว่าธรรมกถึกผู้แสดงธรรมเนี่ยชนเหล่าใดปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพวกนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติ ด, ดีชนเหล่าใดปฏิบัติจนเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นพระเป็นพระอรหันต์อ่ า, ah านงนั้นเถอะเป็นผู้ที่จบแล้ ว, ลวผู้ไปดีแล้วนเนี่ยนะเพราะนั้นก็หลักการก็มีจริงๆแล้วหลักการทุกอย่างนะเพื่อจะอธิบายเท่านี้แหละ หรือจะบอกว่านี้ทุกกับความดับทุกจริงจริงก็มีอยู่เท่านี้จริงๆแล้วจะใช้สูตรวิจิตพิสดารขนาดไหนจริงๆก็ตามต้องการสอนเราแค่นี้จริงๆริงแ้วก็พระธรรมเนี่ยเราจึงต้องมาคิดอะไรนะจึงชอบอะไรนะเขาแบ่งธรรมะเป็นธรรมะหนึ่งคือธรรมะหนึ่งธรรมะนะคําสอนพระพุทธเจ้าจะนับหนึ่งก็ได้วิมุตติรสแบ่งเป็นสองคือ ทำกับวินัยแบ่งเป็นสามก็คือปิดกสามแบ่งเป็นห้าก็คือนิกายห้าแบ่งเป็นเก้าเขาเรียกว่าองค์เก้าแบ่งเป็นแปดหมืนสี่พันก็โดยธรรมขันนีไงคือถ้าย่อมาจริงๆบอกโอ้พระองค์เนี่ยสอนทั้งหมดเพื่อให้หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นคือให้เลิกมีอุปาทานสัทีหนึ่งพูดแบบภาษาไทยก็บอกเลิกบ้าสัทีหนึ่งว่างามเนี่ยนะเลิกบ้าสัทีว่าสุขเลิกบ้าสัทีว่าเที่ยงเลิกบ้าสัทีว่าอัตตาเนี่ยนะ ที่เขาเรียกว่าสัญญาอะไรนะวิปริตมนุษย์การมอะไรเงี้ือว่าเลกใส่ใจแบบวิปริตสถีเธอเนี่ย น, น, น, น, น, น, น, น, นั่นนั่นจริงๆเพราะอาการใส่ใจแล้ววิปริตนั่นแหละจึงเป็นที่ตั้งแห่งวัตถุทุก์ทั้งหลายเพราะคนที่ยึดถือเนี่ยยึดถือว่ายังไงยึดถือว่างามยึดถือว่าเที่ยงยึดถือว่าสุขแล้วก็ยึดถือว่าเป็นอัตตาท้าธรรมะถือว่าเป็นความวิปลาสนะ น, นี่พูดแบบเอาใจมากเลยนะพูดแบบแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยใสทําใจไม่ค่อยได้ คือวลาฟังฟังฟังพระธรรมนะใช่ไหมว่าจะเป็นเรื่องอริยศาสตร์เรื่องอะไรๆแล้วแต่นะถ้าเป็นขั้นขั้นดูเทศดูเอออเราน่าจะเป็นไปได้เป็นไปได้่เเด้เขา้เขาใจเข้าใจดีเพราะลงไปนีน้เทศมันลึกลึ ก, ล, กลึกไปแล้ว เ, เรานี่ยังอไม่มีเขาดูห่างจังเลยอืมก็นี่แหละก็อย่างไงก็ก็อย่างางี้แหละว่วาตานอยากไปไหมล่ะอยกไปไหม สักสี่ห้าสิบกิโลไป mm hmm. เพราะแม่น้ําโรฮินีเนี่ยดูท่าเหมือนจะอยู่ใกล้ๆทางทางกรุงเทวทหานะติดๆทางเทวทหะห่างจากาลุมพินีไปสักสามสิบกิโลได้สามสิบกิโลแขกนะ mm hmm. พอๆกับสามสิบกิโลแมวบ้านเราอะ่ะก mm ็แ hmm. ม่น้ําแถวนี้นะมันเหมือนกันเกือบหมดเลยเพี mm hmm. ยงแต่แปะเชื้อไว้ใส่แค่นั้น น, นนะ mm hmm. นี่แหละมันคิดโดยประมาทอย่างนี้มากขอมาเลยไม่ค่อยชอบเที่ยวที่ไหนเท่าไหร่นะ สิงที่ไปอย่างหลายๆแห่งที่ไปเนี่ยจะไปเรียนพระสูตรตามสถานที่ไปดูที่หน่อยแล้วกลับมาดูพระสูตรใหม่แล้วทําไมนะเพื่อที่จะได้ประกอบบางเรื่องนะคือเป็นหลักการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะอย่างที่เรียกว่าถ้าจับโครงสร้างสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ห้าคำเอาไว้เนี่ยนะช่วยทําให้ศึกษาเบาไปเยอะเนี่ยนะไม่งั้นนะพอลงรายละเอียดลงไปลงมาไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนลมันยุ่งไปหมดเลยไนงะ ถ้าไม่ไม่ศึกษาพระธรรมเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อละเพื่อทําให้แจ้งเพื่อเจริญเนี่ยนะถ้าแยกแยกส่วนเหล่านี้ไม่ออกเนี่ยเราไม่รู้จะพูดให้มันเป็นอะไรเหมือนกันนะพูดเรื่องชีวิตนี่ก็ไม่รู้จะพูดให้มันเป็นอะไรนนอกจากอาหารของอุทจกักเพราะฉะนั้นสายชอบนั่งสงบสงบแล้วบอกอย่าพูดเลยเรื่องนี้มันจะฟุ้งซ่านเท่ากันเพราะความไม่ชัดเจนไม่มีใช่ไหมเหมือนกับโยนอะไรไปในที่มืดแล้วก็ทั่วหากันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน ก็ไม่มีใครหาเจอฉันใดถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ศึกษาความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าวันนี้ควรรู้ยิ่งนี้ควรกําหนดรู้นี้ควรละนี้ควรนาไม่แจ้งนี้ควรเจริญถ้ากติกาอันนี้ไม่ชัดเจนแต่เบื้องต้นเนี่ยนะยิ่งเจาะลึกยิ่งวุ่นวายยิ่งสับสนเออเนี่ยตามเห็นตามไม่เที่ยงเห็นให้มันเป็นอะไรอะ่ะแล้วทำไงต่อไปก็มันไม่เที่ยงอะ่ะก็เชื่ออยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงแล้วให้ทํายังไงต่อไปอย่างเงี้อ่ะ ที่มาของความสงสัยเลยกนะ็จะได้เบื่อทาไมต้องเบื่อด้วยอะ่อนะะทําไมใช่ไหมทําไมต้องเบื่ออา้าวคนก็อยากดูกันทั้งนั้นเนี่ยมันจะเริ่มหละครับนี่ที่มาของปัญหาสารพันแล้วจะตามมาทั้งหมดนี่ก็เหมือนกันถ้าไม่เข้าใจในธรรมะตั้งเบื้องต้นไม่เข้าใจต้นสายปลายเหตุพันธุ์วิปัสสนาจึงจึงสอนไม่ง่ายสักเท่าไหร่แม้กระฝึกใช้อาวุธเลยแหละเนี่ยเพราะวิปัสสนาเนี่ยทางธรรมะถือว่าเป็นอาวุธชนิดนึง ปัญญาวุฒโธเนี่ยนะปัญญาคืออาวุธเนี่ยเพราะว่าหรือปัญญาเป็นเหมือนกับมีดเที่อาไว้ผ่านะเหมือนกับอย่างว่าถ้าหมอเนี่ยยังไม่รู้ว่าโรคเขาคือโรคอะไรเลยนะรู้แต่ว่าปวดท้องเนี่ยขอผ่าเหอะนึกเป็กโยมก็เล่านะเอะอก็จะผ่าเออะก็จะผ่ า, ออผายังไม่รู้ว่าเขาผ่าเขาเป็นอะไรแล้วคุณจะรับผิดชอบชีวิตเขาหรือมาค้าทุกวันนี่แหละแม่แม่คุณลาน เอะหมอก็จะผ่าเอะหมอก็จะผ่าก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรเหมือนกันรับชอบชีวิตเขาหรือเปล่าว่าืันกันะฟังแล้วก็เ อ, อฟังเอฟังดีอ่นะเอะก็จะวิปัสนาอย่างเดียวนะยุคนี้เออะก็จะขอแต่วิปัสนาอย่างเดียวว่าคุณเจริญไปทําไมเนี่ยไม่รู้เขาว่ามันดีอ่ะเขาว่าดียังไงก็ไม่รู้เนีนะอันนี้คือคื อ, คอเลิยุคนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะขอบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องรู้จักพระพุทธเจ้าอะไรสักอย่างเลยนะ ก็น่าเห็นใจมากๆแล้วนะะก็ อ, อะไรนะมันเป็นยุคที่น่ากรุณาไม่มีอะไรนะสูตรหมอบรรพบุรุาบอกว่ามันไม่มีโศกอะไรที่จะน่าเศร้าโศกกว่านี้อีกแล้วก็ว่างั้นนี่ก็บอกว่าเรื่องโศกที่สุดแล้วในบรรดาสิ่งที่ควรโศกทั้งหลายก็ว่างั้นไม่มีอะไรจะน่าโศกเท่านี้อีกแล้วก็ว่างั้นเออมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีอะไรที่มันจะน่าเศร้าเหมือนกับเรื่องนี้อีกแล้วแต่ก็ถ้าเรามองในแง่ที่จะเจริญมุทิตาก็ได้เนี่ยนะ อันนี้มองที่แง่เจริญการุณาเนี่ยนะแต่ถ้ามองในแง่เจริญมุทิตาก็ไม่ยากโหดีแล้วนะเมื่อก่อนก็ไม่เคยอ่านนี้ได้อ่านตั้งหลายเล่มแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนไม่เคยได้ยินนี้ก็ได้ยินแล้วอ่ะนะก็ดีหนักหนาแล้วที่ได้รู้ได้เห็นได้ยินบ้างอ่ะ น, น, นะก็เนะ่ยอันนี้ก็เราพูดแบบมุทิตา<笑><笑>ก็ว่าโดยตามสมัยอนะบางสมัยก็มุทิตาบางสมัยก็กรุณามุทิตา ม, มากเอก็ชักทําเป็นเลิองอีกแล้วก็กรุณาซะหน่อย พอกรุณามากไปจะท้อเองแล้วก็เอาเ อ, าอามุทิตาด้วยหน่อยนึงคนที่เขาเจริญสมถะเพื่อหวังฌานนี่ครับระหว่างที่เขาเจริญฌานเนี่ยก็คงจะต้องมุ่งมั่นที่จะจะต้องเจริญซึ่งก็บางคนก็อาจจะได้ไวบางคนก็อาจจะท้องใชเวลาระหว่างนั้นเนี่ยเขาจะเจริญวิปัสสนาควบคู่ไปด้วยลูกอเปลา ระหว่างที่มุ่งมั่นที่จะได้ฌานคือตรงนี้เนี่ยนะว่าเขาเจริญฌานโดยอัธยาศัยโดยตัวของเขาเองเป็นหลักหรือว่ามีคนเชียร์อีกครั้งหนึ่งอันนะี่คือโดยทั่วๆไปนั้นส่วนทั่วทวไปก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรใช่ไหมที่เรียกว่าครูอาจารย์เป็นต้นในการแนะนําเนี่ยนะก็อยู่ที่ว่าครูบาอาจารย์เหล่านั้นเขาจะวางให้ให้สิ่ของเขาเหล่านั้นเป็นอะไรอย่างคล้ายๆกับกรณีพระโมคคะลีบุตติษฐ์ใช่ไหม อาจารย์มาก็สอนให้เป็นพระโสรารวันพอแล้วที่เหลือไปเรียนพระไตรปิฎกหรือบางท่านเนี่ก็สอนให้ทรงพระไตรปิฎกแล้วพอทรงพระไตรปิฎกมาไม่พูดด้วยแต่ยันนื้ก็แกเหมือนกับว่าที่ไม่พูดด้วยเพราะอย่าแน่ใจว่าแค่ทรงพระไตรปิฎกแล้วถือว่าตัวเองประสบความสําเร็จแล้วโน่นแหละถ้าได้เป็นพระทหารแล้วค่อยพูดด้วยอาจารย์บางองค์ก็วางไปแบบนั้นต่อไปอีกนเนี่ยนะ ก, ก็ก็แล้วแต่ส่วนใหญ่หญทั่วทั่วไปก็แล้วแต่ว่าผู้แนะนำถ้าส่วนใหญ่ แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเจริญเองเออเองออเองเนี่ยก็บางคนก็ไปอ่านแต่อนาปานาสติตอนที่เขากําหนดลมก็ก็ได้อยู่เท่านั้นนะนะก็เลยชาติทั้งชาติก็ได้แต่นับอ่ะถ้าถ้าเรียนแบบนับมานะถ้าเรียนแบบบริกรรมคําใดคําหนึ่งก็อยู่อย่างนั้นแหละตลอดชาติเลยเพราะฉะนั้นเออเมื่อไหร่ก็จะนั่งหลับตากําหนดแล้วหายใจเข้าคาถาไหนาก็ว่าไป น, นะแต่ก็มีพระบางรูปไปสอนท่านเลยเถิดไปอีกบอกว่าเยซูเยซู กำหนดลมโดยท่องอะไรขึ้นเนนะี่ยนะเออมันไปมันได้ขนาดนี้เลว่าไปประยุกต์ให้ฝรั่งมันฟังรู้เรื่องง่ายดีเขาบอกงั้นไปสอนสมาธิว่าเยซูเยซูแหมลูกศิษย์เขามาชมใหญ่เลยอาจารย์เขานี่เก่งมากเลยนะประยุกต์แหมสอนฝรั่งมังค่าให้มันเข้าใจทำวิปัสทําสมาธิบ้างเพราะฉะนั้นคําไหนก็ไม่สําคัญหรอกมันจะท่องอะไรก็ช่างมันเถอเพราะฉะนั้นเยซูเยซู เราบก่าโอ้ยตอนนี้เป็นธรรมทูตอยู่แถวเกาหลีเขาบอเออนี่วัดตะมันเป็นอย่างไงละโทษของฝรัง่งโทษของเกาหลีรู้ตัวเองจะได้มิตรชนิดไหนไปนะก็ไม่รู้นะมันนึกว่าใช่เลยแหละนี่ปกติท่านก็จะต้องสอนนิพพาสนาไปก่อนแนละ้วถึงคนที่ก็จะเจริญฌานข้อมาว่าเขาสอนเรื่องสารณาคมตั้งกรแรกแล้วคือคือจริงๆเนี่ยนะถ้าเรียนสารณาคมมาตั้งกรแรกมันจะไม่เข้าใจอะไรผิดง่ายๆหรอก เจริญอะไรก็เจริญไปนะเช่นเรียนพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณตั้งะต้นมาดีแล้วเนี่ยนะมันจะไม่ใช่ปัญหาหรอกเจริญอะไรก็เจริญไปเถอะเพราะอะไรเขารู้ว่าสมัยนี้เป็นสมัยที่จะเจริญสมถะเนี่ยนะกาเลนะเอ่อกาเลกาเ ล, ก า, เลกาลสูตรใช่ไหมวิปัสสนาตามการสมรถะตามการเขาจะรู้วนะการไหนกนต้องเจริญสมถะนะนะการไหนที่จะต้องเจริญวิปัสสนา พันเข้ารู้การรู้สภาพจิตของตัวเองเพราะการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะสัจจตระปรโยธาปันณงอันนี้คือคื อ, ค, อคือที่สุดของพระพุทธศาสนาคือการชำระ จ, จิตให้ให้บริสุทธิ์หมดจดจากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนะนะจนกว่าจะเลิกมีสุภาพนิมิตเลิกมีปฏิฆานิมิตพิจารณาอารมณ์ใดโดยที่ไม่ไม่หลงลืมเป็นต้นเนี่ยนะจนกว่าจะมีสติสัมปชัญญะเป็นต้นอย่างบริบูรณ์ แต่ถ้าหากว่าชี้นําไปอย่างใดอย่างหนึ่งเกินไปก็ยากสมัยพุทธกาลเนี่ยถามว่าผู้บรรลุอุปโตภควิมุตติกับปัญญาวิมุตตไหนมากกว่ากันก็บอกว่ากลุ่มปัญญาวิมุตตได้มากกว่ากันที่พระสุสิมาไปถามใช่ไหมไปถามพระอรหันต์ว่าท่านที่ท่านปฏิญาณว่าเป็นพระนอรหันต์เนี่ยท่านระลึกชาติได้ใช่ไหมผมระลึกไม่ได้ท่านเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายไหมไม่เห็นท่านได้ยินเสียงทิพไหมยไม่ได้ยินท่านมีตาทิพไหมยไม่มี มันห่อได้ไหมไม่ได้เขาบอกว่าเออปัญญาวิมุตต์มันหมายความว่าอย่างไงไม่รู้ครัผมเป็นปัญญาวิมุตต์ก็แล้วกันนะ น, นะแล้วก็ไปคุยกับไปสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนปฏิจจสมุปบาทพอพระสุสีมาบรรลุ ก, ก็ถามว่าเออเนี่ยเธ อ, เธ อ, เธอรู้อย่างนี้แล้วเธอระ ล, ลึกชาติได้ไหมไม่ได้เองเธอเห็นสัตว์เกิดสัตย์ตายไหมไม่เห็นเธอมีตาทิพย์ไหมไม่มีแสดงฤทธิ์ได้ไหมไม่ได้ ก็เลยเข้าใจคําว่าปัญญาวิมุตต์เนี่ยมันเป็นยังไงทัานกลุ่มพระที่เป็นปัญญาวิมุตต์มีมากกว่านนแะแต่ทีนี้ถามว่าเอ้าท่านละลึกชาติก็ไม่ได้สัตว์เกิดสัตว์ตายก็มองไม่เห็นแล้วงั้นท่านก็ไม่รู้เรื่องกรรมเก่าสิเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องอะไรก็ไม่รู้สิจริงๆแล้ววิปัสสนาญาณที่สองเนี่ยละความสงสัยอยู่แล้วใช่ไหมว่าชารามรณะมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีชาติเป็นปัจจัยและชาติมีอะไรเป็นปัจจัยอย่าลืมว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมเขาต้องการออกจากภพใช่ไหม เขาต้องการออกจากภพคือชราและมรณะเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดเหตุที่เป็นเป็นปัจจัยเพื่อชาติเขาก็ต้องเข้าใจกฎเกณฑ์แต่ว่าไม่ได้รู้มากแบบผู้ที่ได้อภิญญานเนี่ยนะสาหรับการเจริญวิปัสสนานี่ต้องละนิวรณได้ผู้ที่เขาจะเจริญผู้ที่เจริญสมถะเพียงแค่อุปจารสมาธิหรือว่าไม่ต้องถึงอุปจารสมาธิแต่ว่ารู้ว่าจิตสงบพอจะพิจารณาสังขารได้เนี่ย เอ่อทำไมต่างกันยังไงกับคนที่เขาจะต้องน้อมไปที่เ จ, จริญชานนะบางคนที่ที่เขาอยากจะอยู่อย่างสบายๆพักสุขหน่อยนะเหมือนมาไหว้สังเวชนียสถานอย่างเงี้ยเอ้าทำไมจะต้องเว้ยเลือกนั่นเลือกนี่อาหารจะต้องที่นั่นเทนที่นี่อะไรก็หอ่อหอมมาๆมาคนละสองคนละสองก็กินอิ่มอยู่แล้วเนี่ยไม่ง่ายกว่าหรือใช่ไหมไมไม่ทําอย่างนั้นเลย ม า, มาม่าสักก็ซื้อผักมาลวกลวกต้มต้มก็ใส่ก็ทานไปก็อิ่มเหมือนกันนั่นแหละไม่ไม่ทำกันอย่างนั้นแต่ก็ถามว่าเขามีไหมแบบทําแบบนั้นมาเขากมีคณะที่ทําแบบนี้นะเขาบอกว่าคณะมาอินเดียส่วนหนึ่งก็บอกเบื่อที่สุดอมาม่าเขามีนะเขาบอกเกือบทุกมื้อมีแต่มาม่าหมดเลยกับมาม่ากับไข่ต้มเนี่ยถามว่ามีไหมคณะแบบนี้มีจนกลับไปเนี่ยเอียนมาม่ากันแถบๆเลยนะ ถามว่าคณะแบบนี้มีเข้ามาแบบประหยัดสุดๆเลยนะเขาเข้ามาแบบประหยัดสุดๆเลยนะี่ยก็ถามมาอย่างนี้ก็มีอยู่เราจะคิดอะไรมากมายเนี่ยนะว่าเออเนี่ยขนาดมาไหว้สังเดชนี้สถานบางคนไม่ได้ต้องมาแบบสบายๆอันนะป่วยก็ไม่เอาเหนื่อยก็ไม่เอานอนที่ทุกๆอย่างก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาจะต้องดีจึงจะไปอย่างนั้นนะคือบางคนเนี่ยเนี่ยคือความหลากหลายของหมูสัตว์เนี่ยนะว่าอ่า ท่านพระองค์ตรัสว่าอัธยาศัยเป็นอเนกอนะอเนกธ า, าตุนะความปรารถนาของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันผิดความต้องการนี่ไม่เหมือนกันเมื่อความต้องการไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็ยากที่จะกล่าวแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มูมีมุทิตาต่อสัตว์ทั้งหลายเขาเรียกว่ายินดีด้วยถ้าคุณจะเจริญอย่างนี้ก็อ๋อเจริญอย่างนี้ไปยินดีด้วยนะไปเจริญต่อไปนะเออเจริญแบบนี้เอาไปไปเจริญไปแบบนี้นะเอาไป พงษ์นั้นเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ใจกว้างขวางที่สุดนะมีเมตตาต่อคนขอให้สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาพงษ์แนะนําให้หมดละเพราะงั้นเดีจะชอบแบบสุขาปฏิปทาก็สอนให้จะชอบแบบทุคขาก็ตามสมควรแก่อัธยาศัยหมายคาอว่าเป็นพ่อครัวที่ฉลาดปรุงอาหารตามชอบของผู้ผู้หิวเหมงอนกันเถอะคนนี้ชอบอาหารชนิดนี้ก็ปรุงอาหารชนิดนี้ให้พระพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้นนี่เนี่พรุ่นี้พอเรามาอ่านตำรับอาหารเข้าเลยก็เลยโอ้จะให้เรากินอะไรเนี่ยกันนี้ ยุหลังๆมาเจอตํำรับอาหารเข้าก็เลยเดือดร้อนอีกและจะให้ผมกินอะไรเนี่ยมันน่ะนายบอกคุณกินอะไรก็ได้ที่คุณชอบอะคุณเลือกเอาไปเถอเนี่ยนะพอมาศึกษาที่กล่าวบอกว่าเนี่ยพระไตรปิฎกจะเอาตรงไหนก่อนบอกว่าเอาตรงที่คุณชอบนะนะั่นแหละอาจารย์เกตบอกจะอ่านพระไตรปิฎกว่า ง, งั้นจะให้อ่านเล่มไหนก่อนาอาจารย์ต้องการอะไรบอกวิปัสสน า, าเอาไปเอาเล่มสิบเจ็ดไอ่านเอามาหาวิปัสสนาไปอ่านนึกรู้จบสักรอบหรือยังไม่ทราบที่ซื้อไปอย่าโอ้โหตั้งสี่ปีแล้ว สาปีแล้วเนี่ยสี่ห้าเล่มเองยังเอ้ย6กเจ็ดเล่มเองยังไม่จบหมดเลยเนี่ยก็บางคนก็ชอบมาถามแบบนี้จะเอาแต่วิปัสนามาบอกเออเนี่ยมัชฌิมนิกายเรียกมหาวิปัสนาเอาไปอ่านก็นแล้วกันอย่ น, นแต่เขาบอกว่าเขาชอบแบบธรรมะปณิธานอย่างเงี้ยเออเอาธรรมบทไปอ่านก็แล้วกันมีเรื่องด้วยมีธรรมะแทรกไปด้วยก็ว่าบางคนบอกว่าไม่ต้องธรรมะมากเอาแต่เรื่องๆก็พอบอกไปอ่านชาดกไปแล้วก็ให้ไปอ่านไปนั้นบอกว่าอ้ยไม่ต้องการบัญญัติบอกไปอ่านอภิธรรมปีดกไป ไม่มีพระเอกนางเอกสักอย่างนะไปอ่านเถอะก็เอาไปเขาบอกว่าบางผมเนี่ยต้องการกดระเบียบอย่างนั้นเอาไปอ่านวินัยไปนะน่ะก็ก็ให้ทาําความต้องการเนี่ยนะแต่ที่แน่ๆก็ก็ไม่รู้เขาถามเราเล่นๆหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะอ่านบ้างไม่อ่านบ้างอย่างงี้ก็ในยุคนี้ก็ก็ อ, อย่างนี้จริงๆนะแต่ที่นี้ถ้ามองในแง่โดยรวมๆแล้วเนี่ยเราผ่านตลาดมาประชาชนข้างถนนเยอะไปหมด บุคคลที่จะเลื่มสายในพระพุทธเจ้าจะมีสักกี่คนเนอน้อยนักเนี่ยนะถ้าเของมาอย่างนึกเลยนะถ้าไม่เป็นลักษณะเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะทําพระพุทธรูปไว้ที่สามแยกสี่แยกหรือเปล่าก็ไม่ทราบะแต่เนื่องจากว่านะเศรษฐกิจของเนปาลเนี่ยรายได้น่าจะเกือบอันดับหนึ่งมั้งคือนักท่องเที่ยวมาไหว้สังเวชนียสถานเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเมืองไทยอนะเมืองไทยก็ขายวัตถากิน รายได้จากการท่องเที่ยวเนี่นะประมาณเป็นปีหนึ่งหมื่นกว่าล้านเป็นหมื่นล้านเลยถือว่าเป็นรายได้อันดับหนึ่งของประเทศคือคือได้จากนักท่องเที่ยวนะผมมายังเชื่อว่าเนปาลก็อาจจะ ก, กลุ่มเดียวกันเนี่ยนะประเทศเขาที่ไม่ติดทะเลด้วยเนี่ยนะห่างทะเลมากใช่เพันเขาก็น่าจะอยู่ด้วยพวกท่องเที่ยวเนี่ยนะแต่อินเดียเนี่ยขายท่องเที่ยวนี่อดตายแน่หนุ <c oughs> ่มงท่องเที่ยวยังเดียนเนี่ย <c oughs> นี่นะถ้าไม่มีอะไรนะสังเวชนียสถานไม่รู้เราเนี่จะก็เลยโยมบางคนนะก็ถามว่าเขาบอกเขาบอกเลยนะหนึ่งจีนไม่ไปลาวไม่ไปเขมรไม่ไปอินเดียไม่ไปก็บางงั้นพม่าก็ไม่ไปเพราะอะไรเขาก็มันไม่มีวัตถุกรรมแบบที่เขาต้องการอน่อยก็บางคนนี่ก็ลักษณะนั้นนี่ก็เรามาศึกษาธรรมะนี่ก็นับว่าน่าดีใจแล้วที่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็น ออุดมบุรุษผู้เป็นอัครบุรุษเนี่ยนะซึ่งในบรรดามหมู่ชนทั้งหลายที่จะได้นับถือพระองค์เนี่ยไม่มากนะจริงๆแล้วไม่มากอย่างที่ ท, ที่ที่สังเวชนียสถานเนี่ยนะไปถ้าคนเทียบกับไปจ่ายตลาดนะคนไปจ่ายตลาดมากจริงๆเลยนะแต่ละตลาดแต่ละตลาดนั้นจ่ายตลาดหนึ่งวันเนี่ยนะเดือนทั้งเดือนไม่รู้คนไปไหว้สังเวชนียสถานเท่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบ น, นผู้ที่กราบเคารพนับถือบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็น้อยเพราะว่าในยุคหลังๆมาผู้ที่มีบุญเนี่ยไม่ค่อยมากแล้วรุ่นมีบุญทั้งหลายนะเชื่อเขาไม่ลงมาเกิดยุคนี้หรอกเนี่ยนะก็ถามเราๆทั้งหลายอยากมาอีกไหมเงี้ยเพราทุกคนก็อยากหนีหมดไม่อยากมากันเนี่ยนะแล้วก็ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะก็เหมือนกับว่าเป็นพระาศาสนาที่ช่วยผู้มีบุญโดยหมดแล้วอะ่ะผู้ที่บุญไม่มากนะก็ไปไหว้ก็ยังดี นะเทศกาลไหว้พระเจดีก็แหกันไปทําบุญบัง่งทําบาป บ, บ้างก็ไหว้พระพุทธเจ้าไปก็เป็นอุปนิสัยอีกกี่หมื่นกับก็ว่าไปอะนน้นกะ็ให้สร้างเหตุไว้บ้างนะนะ mm. คือได้สร้างอุปนิสัยบ้างเนี่ยนะทั้งอีกหลายๆ ห, หมื่นกับแสนกับก็ไม่น่าคิดว่าเขาช้านะเพราะปกติเขานี่มันช้าอยู่แล้วอนะ mm. ของเราทั้งหลายเนี่ยถามพูดจริงๆอะ่ะเของมาบอกว่าโยมหลายคนเพิ่งมารู้สึกรีบไม่กี่วันนี่เองหรือเพิ่งมารู้สึกรีบสักปีสองปีนี่แหละ ก่อนหน้านั้นตีตัวช้ามาตลอดเลยนะเพิ่งมารู้สึกว่าต้องรีบตอนไม่นานสักเท่าไหร่เนี่ยนะแล้วมันจะไปได้เท่าไหร่นะเพราะมันว่าเมื่อก่อนหน้านี้มันคิดช้ามาตลอดเลยอนยะ่างไงมัน ก, ก็ก็เป็นอย่างเงี้อยู่แล้วฉั้นเราทั้งหลายที่ได้มาศึกษาพระธรรมตามสถานที่ต่างๆเนี่ยนะก็ถ้าหากว่าเก็บภาพสถานที่ที่เราเห็นเราก็ทรงจํามาได้กลับไปอ่านไปศึกษาทําให้เราจำพระสูตรได้แม่นขึ้นเนี่ยนะ จำพระธรรมได้มากขึ้นในจากอาศัยจากสถานที่เป็นต้นเนี่ยก็ทําให้ระลึกถึงพระธรรมได้ไม่ยากหนักแต่ถ้าเร า, เาไม่เคยมาเห็นสถานที่แลยใช้แต่จําอย่างเดียวใช้แต่ท่องอย่างเดียวบางทีมันก็เละเือนไปใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็หลายๆที่ก็บางทีก็ไม่เละเลือนเพราะเราก็นึกสถานที่ออกอยู่แล้วนะแล้วก็ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะศึกษาอริยสัจนะต้องมาไหว้สังเวชนียสถานแล้วศึกษาอริยสัจด้วยนี่จะดีมากนะนะ เพราะว่าอะไรเพราะทุกขสัตริย์เยอะเหลือเกินนะทุกขสัตริย์นี่มีมากจริงๆเดีย๋ยวอ่นานพระสูตรให้ฟังพระสูตรหนึ่งก่อนค่อยไปพักนะเนะี่อดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายะในสุขุมารละสูตรสุขุมารและสูตรก็คือสูตรของอะไรผู้สุขุมารเนี่ยหมายความว่าผู้ใช้ชีวิตอย่างผาสุกหรือผู้มีความสุขเนี่ยนะว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราเป็นสุขุมารชาตนะนะี่ยสุขุมารอย่างยิ่ง สุคุมาโดยส่วนเดียวบอกว่าเราจะเล่าให้ฟังในพระราชนิเวศของพระบิดาเราเนี่ยโปรดให้สร้างสะบกครณีสะหนึ่งเนี่ยปลูกดอกบัวอุบลอีกสะหนึ่งก็ปลูกดอกประทุมอีกสะหนึ่งก็บุกปลูกดอกบุญธริกว่า ง, งั้นบัวสีขาวนะบุญริกก็บัวขาวเพื่อเราโดยเฉพาะอันหนึ่งเราไม่ใช่ใช้แต่แก่นจันกาสี หมายความว่าแก่นที่ใช้นะแก่นที่มารูปตัวหรือแป้งเนี่ยใช้แต่แป้งชาวกาสีผ้าโพกก็เป็นผ้ากาสีเสื้อก็กาสีผ้านุ่งก็กาสีผ้าห่มก็กาสีสเข้ากั้นเสเวตฉชัดให้เราทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเพื่อไม่ต้องให้หนาวร้อนละออง้าและน้ําค้างเรานี่มีปราสาทสามหลังหลังหนึ่งสำหรับอยู่ฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับอยู่ฤดูร้อนหลังหนึ่งสำหรับอยู่ฤดูฝน เรานั้นอันนางนักดนตรีไม่มีบุรุษบนบำเรออยู่ในปราสาทฤดูฝนสี่เดือนมิได้ลงไปภายล่างปราสาทเลยในพระราชนิเวศแห่งพระบิดาของเราให้ข้าวสาลีกับเนื้อแก่ทาตกรรมกรและคนอาศาัยเท่ากับในนิเวศผู้อื่นๆให้ข้าวให้ปลายข้าวเป็นที่สองกับน้ําผักดองแก่ทาตกรรมกรและคนอาศาัยก็คือหมายความว่าแม้กระทั่งขาธาตกรรมกรก็อยู่อย่างพลาสุกสบายกันหมดเนยนะ ดูการพิสูน์ทั้งหลายเรานั้นเพียบพร้อมไปด้วยฤทธิ์เห็นตานนี้และสุขุมาเลือเกินถึงเช่นนี้ก็ยังได้คิดว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับตัวเองก็มีอันจะต้องแก่ไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้แต่เห็นคนอื่นแก่แล้วก็อึอดอัดระอาชิงชังลืมตัวเสียทีเดียวถึงตัวเราเล่าก็มีอันจะต้องแก่ไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้ ก็แต่ว่าข้อที่เราเองซึ่งเป็นคนมีอันจะต้องแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้อยู่เหมือนกันเห็นคนอื่นแก่แล้วจะพึงอึดอัดระอาชิงชังนั่นไม่สมควรแก่เราเลยเพราะอะไรเพราะว่าเห็นคนแก่ก็เราก็จะแก่เช่นกันเนี่ยนะไม่รู้จะไปบุเกลียดคนแก่ทำอะไรนะเพราะเราเองก็จะเป็นคนแก่ต่อไปทิ่สุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ความเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หายไปหมด อ่ะนะก็คือเห็นคนแก่ก็เขาก็เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนกับเรานั่ยแหละแล้วเราไม่นานก็ไปเป็นคนแก่เหมือนคนเหล่านั้นเนี่ยนะหลายคนไม่คิดเลยว่าตัวเองจะต้องแก่เนี่ยนะเอาไงมันแก่จริงๆนะเนี่ยมันงอกจริงๆแล้วผมเป็นต้นเนี่ยนะปุตรชนผู้ไม่ได้สดับตัวเองก็มีอันจะต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บป่วยไข้ไปได้แต่เห็นคนอื่นที่เจ็บป่วยแล้วก็อึอดอัดระอาชิงชังลืมตัวเสียทีเดียว ถึงตัวเราเล่าก็มีอันจะต้องเจ็บไข้เจ็บป่วยไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้เจ็บป่วยไปได้ก็ก็แต่ว่าข้อที่เราเองซึ่งเป็นคนมีอันจะต้องเจ็บไข้ไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้อยู่เหมือนการเห็นคนอื่นเจ็บไข้แล้วจะพึงอึอดอัดระอาชิงชังนั่นไม่สมควรแก่เราเลยดูจากพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่เช่นนี้ความเมาในความไม่มีโรคก็หายไปหมดเห็นคนป่วยก็คือคนป่วยเขาก็มีร่างกายเหมือนเราเะนาะ ใช่ไหมนั้นร่างกายที่เรามีอยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็ป่วยเหมือนกับคนที่ป่วยทั้งหลายก็ไม่รู้จะไปเบื่อหนายเกลียดชังชิงชังกับคนป่วยไปทําอะไรตัวชนผู้ไม่ได้สดับตัวเองก็มีอันจะต้องตายไม่ร่วงพ้นความตายไปได้แต่เห็นคนอื่นตายก็อึดอัดราชิงชังลืมตัวเสียทีเดียวถึงตัวเราเราก็มีอันจะต้องตายไม่ร่วงพ้นความตายไปได้ก็แต่ว่าข้อข้อซึ่งเราเองเป็นคนมีอันจะต้องตาย ไม่ร่วงพ้นความตายไปได้อยู่เหมือนกันเห็นคนอื่นตายแล้วจะพึ่งอึดอัดระอาชิงชังนั่นไม่สมควรแก่เราเลยพิสูจทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่เช่นนี้ความเมาในชีวิตได้หายไปหมดเนี่ยนะก็พิจารณาเรื่องแก่เ ร, ร te, เรื่องป่วยเรื่องตายบ่อยๆถ้าพิจารณาเรื่องแก่มากก็จะละความเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวละความเจ็บพิจารณาเรื่องความเจ็บป่วยมากก็จะละความเมาในความไม่มีโรค ถ้าพิจารณาเรื่องความตายมากๆจะละความเมาในชีวิตเนี่ยนะดูกรพิสูจน์ทั้งหลายความเมาสามอย่างนี้สามอย่างคืออะไรหนึ่งความเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวสองความเมาในความไม่มีโรคสามความเมาในชีวิตปุถุชนผู้มิได้สดับที่มีความเมาในความเป็นหนุ่มก็ดีเมาในความไม่มีโรคก็ดีเมาในชีวิตก็ดี ถ้าเมาอย่างนี้ก็ย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจปุถุชนนั้นครั้นประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาและใจแล้วเพราะกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกเนี่ยนะก็เพราะเมาะนะก็เลยทําชั่วใช่ไหมก็จริงนะคนที่ตัวทําชั่วนะั้นนึกว่าตัวเองยังไม่แก่สองตัวเองไม่ป่วยสามไม่ตายโดยมากเนี่ยนะเขาเขามีแต่ความคิดแบบนั้นนั่นแหละจึงทําชั่วทางกายวาจาและใจภิกษุผู้เมาในความเป็นหนุ่มก็ดีเออเขอภไป ภิกษุผู้เมาในความเป็นหนุ่มก็ดีเมาในความไม่มีโรคก็ดีและเมาในชีวิตก็ดีย่อมลาศิกขาเวียนกลับมาเพื่ออยู่ในเพศอเลวเนี่ยนะถ้ารพระภิกษุรูปใดเมาในสามประการก็จะต้องศึกลหาลาเพศไปพงศ์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าปุตุชนทั้งหลายก็มีก็เป็นตามธรรมดาคือมีอันจะต้องเจ็บมีอันจะต้องแก่และมีอันจะต้องตายแต่เกลียดชังคนอื่นที่เป็นไปตามความ แก่ความเจ็บและความตายนะรังเกียจคนอะไรรังเกียจคนแก่รังเกียจ ค, ค, คนป่วยและก็รังเกียจคนตายเนี่ยนะก็จริงนะถ้าคนป่วยบางคนคนไข้าบางคนแทบไม่มีคนดูแลเลยเนี่ยนะลูกหลานก็ทิ้งทิ้งคว้า ง, ง, งใช่ไหมก็รังเกียจคนสูงอายุไม่ดูแลแล้วในที่สุดตัวเองก็เป็นอย่างนั้นไหมก็ไม่พ้นข้อซึ่งเราจะเพิ่งเกลียดชังสภาพอันนั้นในสัตว์ทั้งหลายผู้มีอันจะต้องเป็นอย่างนั้นคือแก่เจ็บตายเนี่ย นั่นไม่สมควรแก่เราผู้ซึ่งมีอันเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเราเป็นอยู่อย่างนั้นได้รู้ธรรมะอันไม่มีอุปธิแล้วความเมาอันใดในความไม่มีโรคในความหนุ่มในชีวิตได้ครอบงำความเมาทั้งปวงนั้นเสียได้เห็นเนคขมะว่าเป็นธรรมกเกษมความอุตสาหะในเนคขมะจึงได้มีแก่เราผู้เห็นนิพพานอยู่จำเพาะหน้าเดี๋ยวนี้เราเป็นคนไม่สมควรจะเสพการามทั้งหลายแล้ว เราจากเป็นผู้ไม่ถอยกลับมีพรหมาจรรย์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเนี่ยนะอันนี้ก็ตราถึงพระองค์ใช่ไหมว่าที่พระองค์ประพฤติพรหมจรรย์เพราะเห็นแก่ความแก่ความเจ็บและความตายประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้พ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายเพราะว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดแล้วหลังจากเกิดก็ต้องแก่ต้องตายพันประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจะได้เลิกเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่เมื่อไม่แก่ก็ไม่ต้องเจ็บและป่วยตาย เพราะฉะนั้นการประพฤติพรหมอจรรย์ก็เพื่อให้พ้นจากวัตรทุกข์เพื่อให้พ้นจากความแก่ความป่วยความ